ซีดีธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศกราช 2,548 โดยพระพรมคุณาพรออปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเข้าพรรษาควรจะรู้อะไรบรรยายเมื่อวันที่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 การบูชาพระัตนะไตรนั้นก็โยงต่อไปถึงเนื่องด้วยเหตุการณ์สําคัญในพระพุทธประวัติคือเหตุการณ์ในประวัติของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราระลึกถึงเหตุการณ์ในการบําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธองค์แล้วก็มีเหตุการณ์ไหนที่สําคัญเราก็มาจัดขึ้นเป็นวันที่ระลึกแล้วทำพิธีบูชา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 ก็เลยจัดเป็นวันสำคัญขึ้นมาด้วยเรียกว่าวันอัธมีบูชาคือวันแรมแปดค่ำเดือนหกซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปฏิบัติแล้วนั้นกลับมีมานานก็คือเนื่องไปจากวันวิสาขบูชาที่ว่าประสู ต, ตรสรุปปรินิพานหลังปรินิพานก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีละนี่ต่อมาก็สมัยรัชกาลที่สี่ ในหลวงราชกาลที่ 4, สี่ทรงเห็นว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาธิมโมกข์กับที่ประชุมสงฆ์ที่เรียกว่าจารุรงคกสันสนิบาตในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสามก็ถือว่าสำคัญมากเหมือนกันเพราะภาษาวกมาประชุมใหญ่แล้วก็แสดงหลักการสำคัญเป็นเครื่องนัดหมายให้พระสงฆ์ได้นาไปปฏิบัติและนาไปสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันจารุรงค์งก็ จัดให้มีพิธีบูชาขึ้นก็เลยเรียกว่ามาคาบูชานั่นวันเพ็ญเดือนสามก็เกิดรัชกาลที่สี่นี่เองไม่ใช่ของดั้งเดิมเหมือนวิสาขบูชานี่ต่อมาถึงพศสองพห้าอประเทศที่นับถือพุทธศาสนาที่สำคัญสำคัญก็พากันจัดงานใหญ่เรียกว่าฉลองย5ห้าพุทธศวตวรรษแม้แต่ประเทศอินเดียซึ่ง ถือว่าพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้วแต่ว่ามีความสําคัญในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากรัฐบาลยุคนั้นมีนายกรัฐมนตรีคือท่านเนรูซึ่งเป็นผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วก็เอาใจใส่พระพุทธศาสนาแม้จะว่าอยู่ในสายของศาสนาพราหมณ์แต่ตัวเองก็เอาใจใส่รัฐบาลอินเดียก็เลย จัดงานฉลองยี่สบห้าพุทธศตรวรรษ้วยเรียกว่าพุทธยชยันตีประเทศต่งตางๆก็จัดงานเมืองไทยเราก็จัดงานฉลองยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษพอจัดงานเสร็จแล้วก็คณะสงฆ์ได้มองเห็นว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปรมเทศนาเทศครั้งแรกก็ต้องถือเป็นสําคัญเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปรมเทศนาไม่มีเหตุการณ์ครั้งนั้น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 รัฐบาลก็มีมติเห็นชอบก็จึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเวลานี้ก็เมืองไทยก็วันสำคัญประเภทบูชาก็มีสามนี่แหละวิสาขาบูชาเป็นหลักถ้เดิมแล้วก็มาคบูชารองลงมาแล้วก็อาสาลหาบูชานี่เรียกว่าวันสำคัญประเภทบูชาที่ระลึกถึงพระรัตนตรยัยเกี่ยวด้วยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสืบเนื่องจาก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 ฤดูฝนภาษาบาลีเรียกว่าวัฏะเป็นสฯฯันสกฤตมาเป็นไทยก็กลายเป็นพันษาภันษาก็คือวัฏระนั่นเองภันสาก็แปลว่าฤดูฝนให้อยู่ประจําที่ในฤดูฝนก็เรียกสั้นๆว่าจําพันษาจำพันษาก็คืออยู่ประจําที่ในฤดูฝนมาจากพุทธบัญญัติเมื่อพระสงฆ์ถือปฏิบัติตามพระวินัยนี้เมื่อถึงวันนี้ กิจกรรมต่างๆก็เลยเกิดมีขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตินั้นเมื่อพระสงฆ์มีการปฏิบัติทำกิจกรรมการอธิษฐานบรัญรษาเตรียมการต่างพุทธบริษัทได้รู้ได้เห็นก็มาร่วมมือเพราะว่าพุทธบริษัทนะ่ะอุปถัมภ์พระสงฆ์อยู่ก็มาอุดหนุนมาร่วมมาจัดอะไรต่างก็เลยเกิดเป็นประเพณีขึ้นมามีการทาบุญ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 ไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้จะเอาโดยให้คนอื่นทำให้แต่ว่าให้ตั้งใจเด็ดเดียวมั่นคงว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงแน่พระทัยว่าทางนี้ถูกต้องแล้วตั้งพระทัยเด็ดเดียวก็ต้องไปให้สำเร็จอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานจิตอธิษฐานเพื่อทำทีนี้ขอ ง, งเรานีนก็อธิษฐานพรรษาก็คือตั้งใจ กำหนดตัดสินแน่ๆลงไปว่าจะอยู่ที่นี่นีก็คือทำนั่นเองการอยู่ก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งตั้งใจเด็ดๆ ว, ว่าอยู่ที่นี่อธิษฐานไตรจีวร อ, อธิษฐานบาตรก็คือกําหนดลงไปว่าเอาอันเนี้ยเป็นของใช้ประจําตัวนี่คือความหมายของอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานบรรษาก็ไม่มีอะไรมากก็ตั้งใจแน่ลงไปว่าอยู่ที่นี่ตลอดเวลาสามเดือนก็กล่าวหมายว่า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 เคลื่อนคลาดไปเลยกลายไปถึงตรงข้ามก็มีก็ของเดิมก็เอาไปว่าอธิษฐานรรษาการอธิษฐานทั้งวัดก่อนจะไปอธิษฐานที่กุฏิก็ได้แต่แต่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดความลังเลไม่สบายใจอีกเกิดรุ่งอรุณขึ้นมานอกกุฏิอีกความจริงคำว่าอาวาสเสกวิหารเรนะั่นเดิมท่าน ใ, ใช้แทนกันได้ได้ซ้าวิหารเรก็หมายถึงท้งวัดนี่แหละ ก็ใช้แทนคำว่าอาวาสเสได้คำว่าวัดนี่มีหลายคำอาวาสเสก็แปลวัดวิหารเรกวัดอารามเอกกวัดและคำที่เก่าที่สุดตอนพระพุทธเจ้าอนุญาตวัดใช้คาว่าอารามพุทธเจ้าตรัสว่าเราอนุญาตอารามนี่คือคำอนุญาตให้มีวัดอารามก็คือสวนน่สวนก็คือเต็มไปได้วยต้นไม้ที่รื่นรม ต่อมาก็ในสวนนั้นน่มีกุฏิที่อยู่มีอาคารก่อสร้างเป็นหลังๆอาคารที่ก่อสร้างเป็นหลังๆนั่นแหละเรียกว่าวิหารนะคือที่อยู่ซึ่งอยู่ในอารามอีกทีหนึ่งนี่ตอนแรกก็เป็นที่อยู่แบบาเป็นหลังเล็กๆ ๆ, ๆต่อมาก็เรียกรวมหมู่วิหารนั้นก็เรียกรวมกันทีเดียวว่าวิหาร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 แล้วอีกศัพท์หนึ่งอาวาสอาวาดอาวาเสก็แปลว่าที่อยู่เหมือนกันก็เลยเอาคําว่าอาวาเสมาใช้แทนก็ได้ก็เกิดบีคำก็คืออาวาเสแล้วกลายไปว่าคำว่าวัดนี่มีคําที่ใช้กันมาทั่วไปตอนนี้ก็เท่ากับสามคำแต่ว่ามีความเป็นมาตามลําดับอย่างที่ว่าและยังมีคําเดิมบางทีอย่างที่ว่าวันละ วันละก็วันละก็แปลว่าป่าเลยอย่างเชตวันอย่างงี้เวรุวันอย่างเงี้ยชื่อเป็นป่าเท่านั้นชีวกัมพวันอัมภวันป่าหรือยาณเวสกวันเนี่ยก็ป่าเท่านั้นเนี่ยบางทีก็ใช้ตัววันเนี่ยก็หมายถึงวัดไปด้วยแต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่ไปซ้ํากับป่าทั่วไปก็เพื่อจะให้ชัดลงไปก็ระบุก็ใช้เป็นอาราม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 ของเรานี่เราเรียกสิ้นเดือนวันแรมสิบห้าคำมันก็ยุ่งเหมือนกันแหละการนับเดือนของท่านกับของเราก็ไม่เหมือนกันถ้านับฤดูอะไรท่านก็ไปสุดที่วันเพ็ญแล้วขึ้นสิบห้าคแรมหนึ่งคก็แปลว่าวันแรกที่จะเข้าสู่การจำราษาเริ่มนับการเข้าจำราษาฤดูฝนของเราก็ถือเป็นวันเริ่มฤดูฝนด้วยวันแรมหนึ่งคำเดือนแป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 สามเดือนก็ต้องนับแยกรายละเอียดไปเป็นวันวันวันวั น, ว, นวันไปแล้วไปครบจำนวนวันที่เป็นสามเดือนเมื่อไหร่ก็วันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดธแล้วก็ต้องดูว่าวันเริ่มเวลาไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องมีวิธีกำหนดอันนี้เป็นเรื่องของข้อตกลงก็ตกลงกันทำแบบแผนมาตราเดิมตามวินยัย ซึ่งเป็นเรื่องของประเพณีเดิมของชนชาวชมพูทวีปด้วยว่านับวันก็นับเมรุงอรุณเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติดูง่ายพระอาทิตย์ขึ้นก็เอาเริ่มวันก็ไปสิ้นสุดก็ตัดสินในพระอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ทั้งจบวันเก่าแล้วก็ขึ้นวันใหม่ดันั้นก็ตัดสินกันได้พระอาทิตย์ขึ้นก็เรียกว่ารุ่งอรุณ รุงอรุณก็คืออรุณก็คือการที่พระอาทิตย์ขึ้นดังนั้นวันสิ้นสุดพรรษาคือสิบห้าค่ำไปสิ้นสุดมเมื่อไหรก็ต้องไปสิ้นสุดตอนที่ว่าไปขึ้นวันใหม่ที่จะขึ้นแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอเช้าวันนั้นแหละดังนั้นวันสิบห้าค่ำตอนกลางวันนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดพรรษาจริงต้องไปสิ้นเอาตอนที่ไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปลวาพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นอันบอกว่า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 ไปได้เลยเนยก็ไม่ถือภนษาขาดแต่นั้นก็ต้องมีการผูกใจตกลงว่าไปแล้วเอาเป็นว่าโดยหลักการทั่วไปก่อนหลักใหญ่ก็คือว่าต้องอยู่ไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดราตรีของวันขึ้น15บห้าคำจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นรับอรุณเข้าสู่วันแรมหนึ่งคำอันนั้นก็จะไปหมดพรรษาจริง หมดพรรษานี้ก็หมดเวลาสามเดือนหรือไตรมาสที่เราตกลงกันแต่ฤดูฝนยังไม่หมดนะฤดูฝนนี่ท่านับแบบเดิมก็คือนับตามแบบชมพูทวีฤดูฝนมีสี่เดือนเพราะว่าแบ่งปีหนึ่งเป็นสามฤดูเมื่อแบ่งเป็นสามฤดูก็มีฤดูละสี่เดือนสี่เดือนเพราะฉะนั้นฤดูฝนหรือวัดศแต้เนี่ยก็จะต้องอีกเดือนหนึ่ง ก็ไปสิ้นสุดเอาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองก็หมายความว่าแรมหนึ่ง้าำเดือนแปดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวัษสงฤดูฝนออาแล้วทำไมให้จำบรรษาแค่สามเดือนท่านให้จำารรษาสามเดือนแล้วอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนเตรียมตัวพระสมัยก่อนก็ไม่อยู่ประจำที่พอหมดฤดูฝนแล้วก็ออกจาริกต่อ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 แล้วก็ทำจีวรของตัวเองแล้วก็พอผ่านการเวลานี้ไปแล้วก็ออกจาริกเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนรทราบไว้โดยย่อจะเห็นว่าในตอนที่จะเข้าพรรษาพระก็มีกิจที่จะต้องเตรียมการต่างๆเช่นภพกุติเสนาสนะที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมญาติโยมซึ่งมีความ เลื่อมใสศรัทธ า, านในพุทธศาสนาต้องการบระธรรมพระสงค์เราบางทีก็มาเลี้ยงดูอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อพระมีการตรเตรียมอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญก็เลยยิ่งมาเอาใจใส่ดูแลก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พระต้องใช้อะไรมั่งอา้าวแต่ก่อนนี้อาบน้ำฝนหรือดูฝนโยมก็เลยถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เกิดประเพณีขึ้นมา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 เมื่อเป็นวินัยบัญญัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยก็อย่ากที่ว่าเมื่อกี้ก็เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนึ่งการเวลาการเวลาก็บอกแล้วว่าเริ่มแรมหนึ่งคำวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบอและก็หมายถึงว่าสิ้นสุดราตรีของขึ้นสิบห้าคเดือนสิบอดนั้นลุงสว่างรับอรุณ ของวันแรมหนึ่งค่ำเดือนส1บอดก็ครบสามเดือนนี่เป็นเรื่องการเวลาก็อยู่ประจาที่ก็เรียกว่าเวลาอารุณและต้องให้อยู่ในเขตวัดนี้ก็คืออาจจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีกำหนดว่าตกลงว่าเวลาไหนที่เราจะเอาเป็นแน่นอนว่าอยูก่ก็กำหนดด้วยอรุณอาจจะมีธุระไปแล้วกลับมากลางคืนก็มาให้ทานรับอรุณนี่ก็เป็นหลักการแล้วก็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 แพงเป็นไทยต่อเป็นดอเป็นสัปดาห์กรันที่ตัวหอซะนิบาลีก็เส้นสัตส ต, ตาหะกรณียะสิ่งที่ต้องกระทําสัตตาหะในเวลาเจดวันก็วรวมเรียกว่าสัตตาหะกรณียะก็คือกิจหรือสิ่งที่หรือเรื่องที่จะพึงกระทําให้เสร็จในเจดวันก็ถ้ามีเรื่องอย่างที่ว่าเช่นอุปชาป่วยไปกิจนิมนต์สำคัญก็เลยเรียกกันว่าทำสัตตาหะไป ก็คือสัตตาหะการณิยะเรียกให้สั้นลงไปมาให้ทันภายในเจ็ดวันนี่ทําให้เสร็จในเจ็ดวันท่านบอกให้กลับมาก่อนแล้วสัตตาหะไปใหม่ก็ทำเป็นช่วงๆไปเช่นวุฒชาท่านอาจจะป่วยเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษยกเว้นขึ้นมาแต่ก็มีอีกบอกว่าถ้าเกิดวัดถูกน้ำท่วมใหญ่อย่างนี้เป็นต้นท่วมทั้งวัดอยู่ไม่ได้ทาไง นี้ท่านก็ยกเว้นบอกว่าเป็นอันว่าให้ไปได้เลยก็ <g iggle> แปลว่าขาดภาษาแต่ว่าไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจพูดเท็จก็เป็นเรื่องรายละเอียดอันนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้รายละเอียดมากนะักนี้นอกจากการเวลาก็ต้องรู้สถานที่หนึ่งก็จํำภาษาก็ต้องรู้เรื่องเวลาธรรมดาทีนี้จําภาษาที่ไหนก็ต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่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 แต่ประชาชนจะให้ความสำคัญมากเพราะถือเรื่องบาปบุญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็พอเข้าเขตวัดนี่เขาก็จะให้ความสาคัญเช่นเรื่องการใส่รองเท้าถอดรองเท้าแม้แต่เรื่องการที่ว่าจะมีทรายติดไปกับรองเท้าอะไรเงี้ยนะกลัวมากปีหนึ่งก็ต้องเอาทรายมาชดใช้ถวายวัดเกิดประเพณีก่อเจอดีทรายอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ถือมากถือเป็นเรื่องสำคัญน ก, ก, ก่อนก็เลยต้องบอกว่าวัดเของเรามีเขตแค่ไหนต้องรับอรุณภายในเขตนั้นนะจะไปรับอรุณนอกเขตถ้าไปนอกเขตแล้วอรุณขึ้นก็กลายเป็นว่าขาดพรรษาอย่างวัดเราเวลานี้ก็เลยพูดง่ายบอกว่าเอากําแพงเป็นที่กําหนดก็เท่านั้นเองใช่ไหมเวลานี้เราวัดตอนนี้ก็กําลังขยายกําแพงเพราะโยมถวายที่เพิ่มตกลงว่าเรื่องสถานที่กําหนดเขตนี้ก็ไม่ต้องอธิบาย ก็รับอารุณการภายในนี้เมื่อจําบรรษาครบสามเดือนแล้วก็จะได้อานิสงค์อานิสงค์ก็คือสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษที่ได้จากการที่ได้จําบรรษาก็มีข้อต่างๆเนะีเช่นได้รับกรถิน่นรับกรถิ่นได้เป็นต้นเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาไปไหนไม่ต้องอตรายจีวรไปครบสําหรับเป็นต้นอันนี้เอาไว้เรียนกันอีกทีเพราะว่าบอกในะีทีนี้ก็ ทำให้มากมายจำฟั่นฝืออาว่านี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระวินยัยเรื่องเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นเองแท้จริงแต่ว่าโยมก็มาอุปถัมป์ทีนี้พอเกิดเรื่องข้อบัญญัติถามพระวินัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําวินัยให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะวินัยนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งวางระเบียบระบบ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 ท่านบอกสัจจะมีสองอย่างสัจจะความจริงหนึ่งสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติสองปรมาถสัจจะความจริงโดยความหมายอย่างยิ่งหรือความหมายสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าใจได้เป็นสภาวะสัจจะหรือปรมาทสัจจะก็คือความจริงตามธรรมชาติแท้ๆเขาเมัอนเหมือนอย่างเรามาเรียกว่าพานมันก็เป็นคําของมนุษย์ตกลงกันเรียก ธรรมชาติมันไม่มีเรามาจัดทำรูปร่างนี้ใช้เพื่อประโยชน์อย่างนี้เราก็เรียกชื่ออย่างนี้แล้วก็หมายรู้กันนอย่างนี้เรียกว่าสมมติสมมติแปลว่าอะไรสมมติมาจากสังบวกมติมติแปลว่ามติ i, การยอมรับการรับ ร, Indian, answered, BMW, รู้ข้อตกลงและสังเป้ร่วมกันสมมติก็แปลว่ามติร่วมกันหรือข้อตกลงหรือการหมายรู้ร่วมกันยอมรับร่รวมกัน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 ภาษาเกิดได้ด้วยสมมติเราตกลงกันว่าเอานะอันนี้เรียกว่ากระดานอันนี้เรียกว่าพรมอันนี้เรียกว่าจีวรแม้แต่ตัวคนอนะองนี้เรียกชื่อว่าอย่างนี้เรียกชื่อว่างั้นสมมติทั้งนั้นมีมติร่วมกันถ้าตกลงกันแล้วไม่ถือตามยุ่งเลยถูกไหมดังนั้นเมื่อตกลงกันยังไงแล้วก็ต้องยอมรับอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านมีพิธีสมมติอย่างสีมาเนี่ยเวลาทําพิธีเขาเรียกว่าสมมติสีมา ภาษาบาลีเรียว่าสีมาสัมมติการส ม, มตสสีมาก็คือตกลงกันกำหนดว่าเอานี่เขตนี้เป็นที่ประชุมสงหรือว่าเวลาแต่งตั้งพระทำหน้าที่ก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าเอานะองค์นี้มติที่ประชุมให้เป็นผู้ทำหน้าที่จัดกิจนิมนต์สำหรับพระตาหารเป็นต้นเรียอว่างพระตุเทศ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 แล้วมงนกลายมาเป็นทางชีวิตไอ้คำว่าบัญญัตินี้เดิมก็ปัญญาพณะนะก็คือจัดตั้งวางกูลาชอาสนะอะไรต่างๆเนี่ยจัดตัง้ตงวางให้มันเข้าที่เข้าทางให้เหมาะกับการทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนั้นจะเดินเนินไปได้ ด, ด, ด, ด, ดีนี่มาใช้เป็นภาษาที่เป็นเรื่องของสังคมแล้วเป็นนามธรรมมากขึ้นแล้วกลายเป็นคำว่าบัญญัติก็คือจัดตั้งวางระบบระเบียบต่างๆ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 นั้นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่ความมุ่งหมายในการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาชีวิตทั้งนั้นะนั้นข้อที่บัญญัติแต่ละข้อเนี่ยก็เลยเรียกว่าศิกขาบทจะเห็นว่าข้อบัญญัติที่พุทธเจ้าวางวางนเนี่ยเป็นข้อข้อข้ข้อจะเห็นว่าเรียกว่าสิกขาบทก็แปลว่าข้อศึกษาให้เห็นว่าวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพราะว่า พุทธศาสนานี่มีขึ้นเพื่อจะพัฒนามนุษย์ให้มนุษย์ฐฐ eso, ศึกษาฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนในการจัดตั้งวางระบบระเบบต่า ง, งๆการจัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การจัดสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันก็โยงมาหาเรื่องความมุ่งหมายอันนี้จัดเพื่อการศึกษาแต่ละข้อที่บัญญัติขึ้นมาก็เลยกลายเป็นอย่างที่ว่าเรียวกว่าศิกขาบทหมดก็เราจะเห็นว่าบัญญัติในทางพุทธศาสนา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 เรื่องของการเดินทางไม่สะดวกในฤดูฝนดินฟ้าอากาศไม่เอือ้ออํานวยพ้นทางเฉะแฉยเป็นต้นแล้วการเดินทางสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกไม่มีพยานพานะไม่มีถนนห้นทางเรียบร้อยอย่างสมัยนี้แล้วก็เดินทางก็ลําบากแล้วก็เขาเองพวกคนข้างนอกเขาก็นิยมอยู่ประจําที่นักบวชรัฐที่อื่นก็อยู่ประจําที่อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เข้ามาจะเรียกว่าบีบก็ได้นะ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 พระเนี่ยได้อยู่ประจําที่แล้วมีพระที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เปอุปชาอาจารย์จะได้เป็นกัลยาณมิตรแก่พระรุ่นหลังพระรุ่นหลังพระมีภาษาน้อยหรือได้ล่ําเรียนมาน้อย mm. ก็จะได้มีที่ปรึกษาได้ล่าเรียนมากขึ้นต่อมาก็เกิดกิจกรรมว่าเวลาในภาษาเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วตั้งชั้นเรียนทําโรงเรียนสอนกันเอาจริงเอาจังเนี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 อย่างน้อยสมเดือนนี้สําหรับท่านที่อธิษฐานบรรษาสําหรับท่านที่ไม่อธิษฐานบรรษาก็สุดแต่ว่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ตั้งใจให้ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการศึกษานี้ศึกษาที่แท้นั้นก็คือชีวิตของเรานี้ชีวิตนั้นก็ดําเนินไปถูกทางก็เป็นมักแต่การที่ชีวิตจะดําเนินไปถูกทางเป็นมักได้ก็ต้องไปฝึกมันฝึกมันก็ฝึกเด้วสิกขานะ เมื่อฝึกมันด้วยศิกขามันก็เป็นชีวิตที่ดีก็เข้าสู่มรคไปนะเพราะฉะนั้นสีสมาธิปัญญาเอามาฝึกเป็นศิกขาพอเดินไปชีวิตของเราไอ้สีสมาธิปัญญานั้นก็กลายเป็นมรคไปก็ทําให้สองอย่างนี่มันรับกันอยู่เอาศิกขามาฝึกตัวเราให้เข้ามรคเดินหน้าไปในมรคด้วยไปแล้วจนกระทั่งว่าสิกขากับมรค ก, ก็อันเดียวกันนั่นแหละพอเราฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้น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 แล้วสังฆะของเรามีความพร้อมเพียงเป็นระเบียบงดงามนะีท่านเรียกว่าเป็นสังฆสาวพโนเป็นผู้ทาสงให้งามสงก็พลอยดีไปด้วยเราก็คำหนึ่งถึงสุดรวมไปในตัวเสร็จแล้วเมื่อสงงามนี่สงนี้ก็จะพร้อมเพียงกันที่จะทำกิจหน้าที่ต่อประชาชนได้เพราะสงนี้อยู่เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกให้เขามีความสุข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 แล้วก็จะเลยงอก ง, งามแล้วเป็นผลดีแก่สงแก่ประชาชนแก่ประเทศชาติไปหมดเลยจงกระทั่งว่าเราเรียนศึกษาอะไรคิดแต่ว่าเราฝึกตัวอย่าไปคิดไปข้อบังคับไปข้อกําหนดเ้บาบังคับเราให้ต้องทํางั้นนี้ถ้าอย่างนั้นจิตใจก็ไม่ชื่นบานอึดอัดแล้วก็ไม่ได้ผลดีเสียสุขภาพจิตแต่ทนึกว่าฝึกโอ้ชีวิตของเรานี่เราต้องฝึกเราจรึงจะดีใครยิ่งฝึกมากยิ่งได้มากใช่ไหมฮะ